ถ้ามองปั๊บอันนี้ทุกข์สัตว์ใช่ไหมนี่มันเข้าใจแล้วแต่อย่างเงี้ยเห็นทั้งสารวัตรจริงๆริอนี่ทุกข์สัตว์เนี่ส่วนที่เห็นมันเป็นทุกข์สัตว์หมดเลยส่วนที่เราคิดเข้าใจในส่วนของนี่รูปธรรมทั้งหลายเป็นทุกข์สัตว์หมดเลยนี่ถ้าถ้ายมถิ่มองอ๋อนี่ทุกข์สัตว์เห็นรถคันนึ่งอันนี้ทุกข์สัตว์นันควรรอบรู้หมดเลยเนี่ยนกโอ้เสียงทุกข์สัตว์ร้องนาะเห็นมันเป็นทุกข์เลยแต่เนี้มันเริ่มชัดขึ้นแล้ว ถ้าอย่างนี้สิอย่างนี้สิเห็นคุณของพระทเจ้าเรื่อยเลยเดี๋ยวเห็นคุณพระเจ้าเรื่อยเลยถ้ามีพระเจ้าเราจะมีคําว่าทุกข์สัตว์เกิดขึ้นในใจสักนิดไหมเนี่ยเราเห็นหมดเลยอ๋อนี่เป็นทุกข์สัตว์จริงๆด้วยนี่ทุกขสัตว์กำลังดําเนินกันไปอยู่เนี่ยสังสารวัฏกำลังเป็นไปอยู่เนี่ยใช่ไหมเหตุของสังสารวัฏคือตัณหาเหตุของทุกข์สัตว์คือตัณหาดับสังสารวัฏคือนิพพานปฏิปทาให้ดับสังสารวัฏคือมรรคเนี่ย โอ้โห oh, ชัดเลยตัวเนี้ยเริ่มเด่นขึ้นมาเรื่อยเลยตัวเนี้ยเอาราสีตัวเนี้ยมั่นใจแล้วตัวเนี้ยอิสระมากจะบันทึกจะตัดต่อแล้วก็เห็นสังสารวัตรแต่จะทํายังไงให้มันเด่นในใจของคนอื่นมันเด่นในใจของเราบ้างแล้วเนี่ยเราจะเอาความเด่นในใจของเราเนี่ยแผ่คนอื่นแผ่คนอื่นเป็นกรุณาเด่นในใจเราเป็นปัญญานี่ยคุณืมเข้าใจแล้วเข้าใจไหมตัวเนี้ยก็แน่ไง ตัดต่อเทปทั้งสารวัตรคู่ไปด้วยแจกไปอกอกตงไมเหมียนชาดเอาตรงนี้ไปด้วยไปป้องพูดให้เกิดกำลังใจในการประกาศพระธรรมพระธรรมของพุทธญาณเนี่ยไม่ไม่ใช่พูดให้ท้อถอยในการประกาศพระธรรมออดีเนะี่ยเชิญใจประโยคหลังเนี่ยนี่ก็เรียกเลยไ ม, ไม่มินหรอกไอ้ไม้ ม, ม, อมองเห็นแนวอยู่อยโอ้ชัยได้ โอ้โหน่าชื่นใจเนี่ยใช่นมน่าชื่นเดี๋ยวพอฟังไปก็จะมีกาลังใ จ, จ, ต, จรงตรงนี้นะบอกว่าฉะนั้นในคำว่าโลกาวิชูเนี่ยนะ<ม>เพราะว่าจริงๆแล้วที่เราฟังแล้วเนะี่ยมันเกิดความรู้สึกงั้นเพราะเรารู้เราเทียบปัญญาพุทธเจ้ากับปัญญาเราไงใช่ไหมนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เขาบันทึกท่านที่เขียนมานะ ท่านก็เต็มที่ท่านแล้วไม่ใช่ไม่เต็มที่หรอกเหมือนอาตมาเหมือนกันเวลากล่าวว่าตามอาตมาก็เต็มที่แล้วเงี่ยนะอาจจะมีขาดตกบกพ้องบกความเป็นบุรุษชนเนะี่ยเนาะพวกเราทั้งหลายก็เต็มที่แต่ถามว่าให้มันเต็มที่ใช้ได้ออกมานะเป็นอิสระและ้วเอ <c oughs> อ, อได้ทําแล้วเต็มที่ก็แล้วกันให้ทําให้ดีที่สุดก็แล้วกัน <c oughs> ให้เต็มที่ก็แล้วกัน 𝘦 ให้รอบคอบก็แล้วกันอย่าเอาเร็วเป็นประมาณใช่ไหมอย่าเอาเร็วเป็นประมาณ เอาดีเป็นประมาณในความสามารถที่เราจักบูชาได้ถ้าสาวรรธนาเนี่ยนะท่าสานักขาเนี่ยวันธนาเนี่ ย, ะ ย, นนยจะใช้สิบนิ้วเนี่ยบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็จะบรรจงในการค่อยค่อยปร ะ, ประดิบประดอยในการพิมพ์ในการตัดต่อคําถอนร้อยเรียงคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานี่มันความสามารถของข้าพเจ้าใช่ไหมเหมือนท่านผ้าโนนน่ะ ข, ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ใช่ไหมข้าพเจ้านี่คือผ้าโ น, นนเนี่ย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 แต่อาตมาเข้าใจเข้าใจส่วนหนึ่งนิดหน่อยเนี่อาตมาก็บอกไปว่าครับอาตมาเข้าใจแบบนี้แต่บอกไปเสร็จอาตมาก็เป็นอิสระกับสิ่งที่บอกไปเออเสร็จแล้วใครที่เอาไปฟังเอาไปไข้ควรเอาไปพิจารณาถ้าเกิดบุญข้าพเจ้าโมทนาใ น, นส่วนนั้นด้วยและบุญอ น, นั้นที่เกิดขึ้นในใจของท่านนะเนี่ยข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นอุปนิสัยประใจข้าพเจ้านะครับ เ, เจ้าเอิงทตรงเนี้ยแล้วข้าพเจ้ามั่นใจตรงนั้นว่าจะเป็น ปัจใจผักดันในข้าพเจ้านั้นบรรลุสิ่งที่ข้าพเจ้าหวังใช่ไหมคือความพ้นทุกข์ใช่ไหมเพราะข้าพเจ้าก็ปรารถนาอาตมากระบาดนะอนุปาธาวริณิพัคือการดับโดยไม่มีส่วนเหลืออย่างเงี้ยก็ประกาศเจตนาลมวราผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงแสดงว่าใครๆไม่อาจเพื่อจะไปได้ด้วยเท้าเป็นต้นเหล่านั้นนะที่ในกาเลวาระประมาณวานหนึ่งได้แก่ในอาตภาพเป็นวานหนึ่งประมาณเนี้ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงรูปประคัน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 อากเรวราที่ไม่มีวิญญาณคือสิ่งที่เป็นีแต่รูปธรรมอย่างเดียวนั่นกเรวราที่ไม่มีวิญญาณเนี่ยนะดังนั้นก็คือบอกว่าในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านแสดงบอกว่าเกี่ยวในเรื่องของกรเรวราก็คือพูดถึงในเรื่องของรูปปร ะ, นะรปประรรคันรูปประขันเนี่ยเนาะรูปธรรมคือรูปขันที่พระถ้าไม่มีใจก็พูดถึงในรูปธรรมอย่างเดียวทีนี้ถ้ากําหนดลงเวรนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านกาหนดเอาเป็นความเป็นไปของโลกความเป็นไปของขัน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 เป็นเรื่องของสังสารวัตรถ้าไม่มีสังสารวัตรการดับสังสารวัตรจะมางงอย่างไรดิงนี้เป็นตน้นเนี้ย น, นี่นี่เกี่ยวข้องกันในลักษณะนี้ให้เข้าใจตรงนี้ก่อนเนาะแม้นิพพานพระเจ้าก็ย่อมบัญญัติไว้ในศรีระคำว่าบัญญัติในที่นั้นก็เพราะอาศัยขันน่ะบัญญัติบัญญตัญญติการดับพอพระนิพพานนั้นแม้สถานที่ที่มีได้หาสถานที่ไม่ได้ใช่ไหมเป็นความดับของรูปเป็นความดับของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างถาวอนเป็นอนุบาทานน่ะเองท่านก็แสดงขายไว้ด้วยอำนาจแห่งอุปจาระวุหารเนะ ไม่ใช่ในโดยตรงนะอย่างนี้นะมันจะไปเข้าใจว่าขันเดี๋ยวนี้พามีอยู่ในขันกับคนกันใหญ่เพราะในขันได้สองสัจจะทุกขเมูไทยไม่มีนิโรธาสัจจะใช่ไหมแต่ท่านกล่าวโดยอุปจาระบูหานไม่ได้กล่าวโดยการโดยตรงกล่าวโดยอ้อมแม้โดยสถานที่ด้วยอำนาจ่งขันเหล่านั้นเหมือนอย่างที่ตรัสว่าจากักรสูเป็นที่รักเป็นที่ยินดีของโลกตัณหาเมื่อจะถูกละได้ก็จะมถูกละในจกักรสูนี้ก็จะดับประดับไปที่จกักรสูนี้จกักรสูไม่ใช่ตัณหา ใช่ไหมแต่จักสูเป็นปิยะรูปังสาตรูปังเป็นที่รักเป็นที่ยินดีเป็นที่มาอาศัยอยู่อาศัยเกิดอยู่ของตัณหาตัณหาเวลาจะพอใจก็พอใจตาเนี่แหละเป็นต้นเนี่แหละจะจะยินดีก็ยินดีในตาเนี่ยเละนั้นถ้าจะละก็ต้องถูกละไปในจักสูนี้ต้องทําฉันทราท่านในจักสูและความยินดีในจักสูนั้นต้องทําปะหานะริญญาใช่ไหมต้องทําปะหานะปิญญา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 ความพ้นจากวัฏทุกข์ย่อมไม่มีเพราะยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกเหตุใดเพราะเหตุนั้นแหละท่านถึงกล่าบว่าผู้รู้แจ้งโลกคือท่านผู้รู้แจ้งโลกทั้งปวงโดยสภาวะคําว่าสุเมโธทะแปลผู้มีปัญญาเนาะถึงที่สุดโลกคือรู้แจ้งโลกด้วยการนี่ยคำว่ารู้แจ้งโลกรู้ได้ด้วยอะไรรู้โดยการตัดสู้ภาษาเวก็ต้องตัดสู้ตามพระเจ้าใช่ไหมนั้นตัดสู้เนี่ยเขต้องการรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกอะไรก็คือโลกโลกคือแจ้รู้แจ้งทุกหรือรู้แจ้งตัวสังสารวัฏ รู้แจ้งเหตุเกิดของโลกก็คือสมุทัยที่เป็นเหตุของสังสารวัตรรู้แจ้งความดับของโลกก็คือรู้แจ้งพนันิพาลซึ่งเป็นความดับของสังสารวัตรและเหตุของสังสารวัตรรู้แจ้งนี่โลทขาวิธีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับนะมรรคภพรมัรจันทีนี้ตัดสรุปการละความที่มรรคภพรมัญจัน์จบรอบแล้วชื่อว่าอยู่จบพรมัญจันอามารรคภพรมัรจันจบรอบแล้วก็คือได้ได้มรรคครบสี่รอบแล้วสี่ครั้งแล้วยังไง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 อันนี้กล่าวไว้ให้เป็นแนวทางในะต้องต้องไปปฏิบัติต่อเองนะทีนี้ตรงนี้ก็คือว่าอืมสมิตาวีก็แปลเป็นผู้สงบสงบกิเลสทั้งบวงเลคือสงบราคะโทสะโมหะสมิตาวีเนี่ยเขแปลว่าตัดสรู้ก็ได้เพราะเป็นผู้ตัดสรู้สัจจะทั้งสี่นั่นเนาะคําว่าไม่หวังคือไม่ปรารถนาคือไม่หวังโลกอื่นเหมือนโลกนี้ก็แปลไม่หวังเลยเพราะเป็นผู้ไม่มีอะไรต่อไป การไม่มีสังสารวัตรเดินอีกต่อไปก็คือการไม่มีปฏิสนธิตัวปฏิสนธิเนี่ยเป็นตัวเริ่มเดินของสังสารวัตรใช่ไหมปฏิสนธินี้เป็นตัวเริ่มต้นของสังสารวัตรตั้งแต่ถีติขนาดของปฏิสนธิไปจนถึงถีติขนาดของจุติเป็นประวัติการของสังสารวัตร ใช่ไหมพังคคขนาของจุดติจิตของชาติหนึ่ ง, งเป็นจุดติการของสังสารวัฏและปฏิสนธิใหม่ก็เป็นตัวเริ่มต้นของสังสารวัฏของแต่ละพบแต่ละพบสังสารวัฏมันเดินไปอย่างนี้มีปฏิสนธิการประวัติการแล้วก็จุดติการในพบหนึ่งๆนึงสังสารวัฏมันเดินอย่างนี้มันมีการเกิด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 จากอายตนะสู่อายตนะจากธาตุสู่ธาตุเลยนั้นขันอายตนะธ า, าตุเป็นไปไม่ขาดสายอยู่นั่นแหละแต่เอาพบเป็นตัวกัน้นหนีเรื่องสังสารวัฏใชไหมอย่างนี้มันก็เริ่มได้ได้มุมการเห็น <c oughs> หอย่างนี้พิจารณาไปเห็นทุกข์สัตว์ไหม <c oughs> มนุษย์นี่เรื่องสังสารวัฏนี่ ตัดไม่ขาดเนี่ยต้องใช้มีดระดับอาหรายลารรมะถึงจะตัดขาดอจะชนเชนิญชวนเนี่ยอัมาเนีเชิญชวนมาพอเจอคำสอนผู้เจ้าเนี่ยอัมาก็เชิญชวนคนให้ตัดสังสารวัตรมานานนึงบอกอย่าไปตัดกรรมเลยตัดสังสารวัตดีกว่าใช่ไหมอันนี้ตัวสังสารวัตตัดกรรมไม่ค่อยชใช้ตดดัวไหนะ ไม่ตัดจริงตัดกรรมต้องตัดแบบอะไรคั้งเนี่ยทีนี้ประการต่อมาก็พูดเรื่องโลกเนาะเดี๋ยวนี้เนาะนี่ตัวตัวสังสารวัฏเรื่องโลกนี่เนี่ ย, ยท่านก็พูดถึงในเรื่องของพระเจ้าเป็นโลกวิทูเนาะก็ได้แสดงสภาวะดังที่ได้กล่าวมาเบ็ดเสร็จท่านก็แสดงโลกสามเาไวโลกสามมีอะไรวชุมนุมและการสืบต่อแข่งขันที่สืบเนื่องกันเนี่ยด้วยอินทรียนะ์เนาะชื่อว่าสัตว์โลกเนาะโลกคือสัตว์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 ถ้าจะเป็นโพธิสัตว์ก็ต้องมีปณิธานในการที่จะตัดตังหาละวัตเนะตอนนี้เป็นโพธิสัตว์หรือยัง mm hmm. ชื่อว่าโลกพระอาต จ, จะว่าเป็นที่เห็นกุศลอกุศลและผลของกุศลและอกุศล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 สังขารละโลกก็คือนามรูปเวทนาเป็นต้นเหานี้ไงนามรูปนามรูปเอวยเวทนาสามเออยอาหารสี่เออยุอปาทานขันห้าอายตนาหกวิญญาณนาทีติโลกธรรมแปดสัตวาะโลกก็อายตนาสิบอายตนาสิบสองท่าสิบแปดอันนี้เรียกว่าสังขารละโลกเหม่่ยทำท่าลืมกันเลยนี่โรคโลกคือสังขาร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 โอต้องชี้อย่างนี้เลยนะนี่เห็นแล้วแล้วอย่าลืมดูตัวเราด้วยลรอใช่ไหมนี่เห็นแล้วใช่ไหมนี่นี่เป็นสัจจะอะไรบ้างเนี่ยเเห็นทุกกษัตริย์เลยนะแล้วอะไรเป็นเหตุให้มีโลกใบนี้มาเกิดขึ้นมานี่สมุทัยสัจจะนนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นแล้วเห็นความเป็นไปของทั้งสารวัตรของโลกใบนี้แล้วนั่นกาลังขยับก็เยื่นอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ย การสืบต่อของขันในะถึงเป็นไปได้กันได้การสืบต่ออายต น, นะในถึงมีการเหลียวซ้ายไหลขวาได้การสืบต่อกันของาธานตะุในถึงการมีการเดินการเหนือนการหิวการทํากรรมเป็นต้นเหล่านี้เป็นต้นไปได้นี่นี่เห็นแล้วนี่สังสารวัตรเดินนี่เห็นอย่างเงี้ยเป็นที่ดูบุญดูบาปไหมล่ะดูผลบุญผ ล, ผลบาปจริงๆมิงไล่ะเห็นไหมแต่เนี้ยทุกข์สัตว์ปรากฏหรื อ, อยังเอาไปไข่ควรต่อเขาบรรลุกันได้ด้วยอาการอย่างนี้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 อธยาศายการตั้งใจฟังก็มีแล้วตั้งศรัทธาไว้ในนุ่นพรธเจ้าวันนี่เป็นพระธรรมของพรธเจ้ารู้แค่นี้พอเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวอัธยาสัยกระตุ้นเองอาจจะไปกระตุ้นตอนอายุยี่สิบก็ได้ใช่ไหมแต่เนี่ยถือบุญดีเนี่ยบุคคลเหล่านี้ไม่ได้ฟังตอนอายุน้อยๆเก้าวขวบอ่ะเก้าวขวบบางทียังไปทําอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้เห็นไหมเนี่ยอธยาสัยเราดีกว่าเขานะนี่ แต่อย่าไปเชื่นชมสังสารวัตรเขาล่ะใช่ไหมเพราะสังสารวัตเหล่านี้เป็นที่ตั้งของตัณหาดีนับใช่ไหมท่านให้วิจัยท่านไม่ให้เอาไปที่ตั้งของตัณหาถ้าจะเจริญเมตา ต, ามตากรุณาเมตตาเวกขาจเจริญได้แต่ห้ามเจริญตัณหาในวัตถุชิ้นนี้คือโดยต้องเห็นเห็นเห็นผลบุญผลบาป ต้องเห็นว่ากําลังเป็นเขาเขาทำบุญทบาบาปนี่เห็นเห็นกําลังเป็นไปแล้วเขาวิจัยอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่ามองโรคภายนอกและต่างจากโรคภายในกะเวรวละอัญญต่างกับยาวาหนาคืบที่กําลังเป็นไปอยู่ไหมอันนี้ก็คือสังสารวัตรกาลังเดินอยู่เหมือนกันเนาะนี่เห็นเห็นเห็นหนักกว้ใหญ่เลยเีนี้ เนี่ยป็นนอนดูสังสารวัตกันทุกวันนอนกอดสังสารวัตกันดู <laughs> ใช่อยูก่กับทุกอยู่กับทุกไม่เห็นทุกอยู่กับทุกก็เช่นชมทุก อ, อ, กอเพอเพอฝันทุกเนาะโอ้โหอะไรเนะ่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 ก็ใช้รู ป, ปขันไหมใช้เวทนาขันไหมใช้สัญญาขันไหมยสังขารขันไหมวิญญาณขันไหมไปดูในตัดติกาทีบาศถ้าไม่พิจารณาสามส่วนบรรลุไม่ได้จบเลยจะไปดูในภายในบรรลุได้ยังไงเราสิเพราะสติปัฏฐานต้องบริบูรณ์ด้วยสามส่วนถึงจะเป็นปัจจัยการบรรลุเนนยี่ ย, อ, ย อ, อ๋อ จะเรียกอนุมานหรือเปล่าถ้า้น่ า, า, างนั้นใช่ไหมล้เมบบาลเรียกอนุามานไหมเรียกว่าอ น, นุมานไหมดูอันนี้ก็เกิดขึ้นกับตาเราโดยตัวเองไหมนั่นน่ะไม่ใช่ปัญหาก็คือว่ารู้ไหมว่าเป็นผลบุญผลบาป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 บุญและตัวบาปเห็นทั้งตัวผลของบุญและผลของบาปนั่นแหละเขาเรียกว่าโลกเป็นที่ดูเป็นที่เห็นแต่สัตว์โลกจะเข้าใจไหมล่ะใช่ไหมฉะนั้นการที่บอกว่าชมนมและการสืบต่อกันของขันทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์และการกระทําที่ว่าเป็นที่มองเห็นสิ่งที่เคลื่อนไม่ได้ และสิ่งที่ติดอยู่กับที่หรือเป็นโอกาสของสิ่งที่เคลื่อนที่สิ่งที่ติดอยู่กับที่นั้นจริงอยู่ในโอกาสสโลกท่านเรียกว่าภาชนะโลกก็คือหมายความว่าในโลกโลกที่ไม่มีใจเนี่ยเป็นสิ่งรองรับเป็นที่เคลื่อนไห ว, วสิ่งที่ติดอยู่กับที่นั้นขันแม้ทั้งสองอย่างคือสังขารโลกเพราะอาจจะว่าถูกปัจจัยปรุงแต่งและถูกทําลายย่อยยับเนา ะ, ng, ะ ng, รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยต้องถูกปัจจัยปรุงแต่งไหมเรื่องไหนถูกถูกทาลายย่อยยับไหมเนาะ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 ตัวสังขารโลกจะได้ไม่เดินสัตว์โลกจะได้ไม่เคลื่อนแล้วก็ภานชนะโลกจะได้ไม่มีจะได้ถึงการบัญญัติไม่ได้อีกต่อไปใช่ไหมสังสารแล้วว่าจะได้จบสติเนี่ยเนี่ยตรง น, นี้โอเรียนอย่างนี้เข้าใจเยอะเลยเนี่ยนี่ยนะใช่มะโอตอนนี้เราเราเร า, เราเริ่มจะชัดเจนแล้วเนาะเริ่มชัดเจน คำว่าตั้งอยู่ในด้วยต่อไปนีนะอันนี้พูดถึงในเรื่องของโลกประการต่อมาอันแรกเลยสเพสตาาหารทัดและติธิกาที่บอกสัตว์ทั้งปวงอยู่ได้ด้วยอาหารนะอยู่ได้ด้วยอาหารสับว่าอาหารเนี่ยอาหารละตัวนี้เป็นชื่อของว่าปัจจัยนะคำว่ามีความตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารก็คือการตั้งอยู่ได้ด้วยปัจจัย เนื่องโดยปัจจัยเป็นอยู่ด้วยปัจจัยทราบว่าอาหารในที่นี้มีความหมายว่าปัจจัยเหมือนอย่างในคําเมียที่บอกว่าอายะมาหาโรอนุปันนัสวากามฉันดสอุปาทายเนี้ยบอกว่านี้เป็นปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นของการฉันท่ที่ยังไม่เกิดนี่แปลว่าปัจจัยเนาะก็ด้วยคําว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมเป็นอันถือเอาแม้พวกไหนด้วยพวกอสัญยีสัตว์ด้วยนะ เอาสัตว์ที่มีขันหนึ่งด้วยแม้สัตว์เหล่านั้นนะนะในอสัญญสัตวภูมิได้เรียนนี่ยังอสัญญาสัตวภูมิที่มีขันหนึ่งขันเวลาเราอุทิศสนกุศลให้ใช่ไหมมีขันสี่ขันก็คือรูกประภูมิมีขันห้าขันก็คือปัญญโวกลระภูมิมีขันหนึ่งขันก็คืออสัญญาสัตวภูมินะนั้นสัตว์ในสามสิบเอ็ดพบนับสามสิบพบก่อนอยู่ได้ด้วยปัจจัยคืออาหาร อยู่ด้วยปัจจัยต้องมีปัจจัยประชุมวงแต่งถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถึงจะอยู่ได้ประการต่อมาท่านก็เลยกลัวว่าเราจะไม่เข้าใจว่าแม้อสัญญีสัตว์อสัญญาสัตเตเขาเรียกว่าคนที่จะไปเกิดเป็นอสัญญาสัตตพรมไปเกิดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมใช่ไหมเขาเรียกอสัญญาสัตว์เรียกว่าอสัญญาสัตตพรมก็ได้อสัญญาสัตว์ก็ได้ แปลว่าสัตว์ที่ไม่มีสัญญาก็แปลว่ามีสัญญาเป็นประธานก็มีไม่มีนา้ำมารมอ่ะง่ายๆคือไม่มีน้ำนั่นเองไม่มีเวทนาขันไม่มีสัญญาขันไม่มีสังขาระขันไม่มีวิญญาณขันมีแต่รูปประขันอย่างเดียวสัตว์เหล่านั้นเรียกว่าอสัญญาสัตตพรมไปเกิดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิเป็นเอกโวกับภาวะ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 ปัจจัยมีเยอะไหมมีนานัคณิกิก ร, รมะปัจจัยเห็นไหมเจตนาที่ต่างขนาดเจตนาที่ในรูปปัญจมาชานกุศลนี่แหละหรือรูปจะตุทะชานกุศลนี่แหละเป็นปัจจัยทําให้รูปประทามเหล่านั้นอุบัติเกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกปัจจัยที่เป็นกรรมส่วนปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่เกิดร่วมตรงนั้นก็คือว่าเป็นกรรมม่ใช่รูปที่เกิดขึ้นใช่ไหมดินน้ําไฟลมสีกินรสโอชาธาตุเป็นต้นมีชีวิตตัรูปเกิดขึ้นด้วยมีวิการะรูปด้วย สิบเจ็ดรูปที่เกิดขึ้นในสัญญาสัตยพรมตรงนั้นน่ะที่เขาเกิดขึ้นมีความเบาวความอ่อนความครวนใช่ไหมมีดินน้ําไฟลมสีกลิ่นรสโอชาธาติใช่ไห ม, ม, ไ ม, ททไหมเป็นต้นนั่นนี่นะมีกรรมชะลูปกรรมชะลูปก็มีอะไรอะ่ะไม่ใช่จากขุปาสาัตว์เสือตาปสัตว์ข้าหนาา้าปสัตชิวหาปสัตวทนะเออเขาเขามีกรรมชรลูปส่วนดืมีกรรมชรูปส่ว น, น, รร ส, วนส่วนที่เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของ กลุ่มเอาวินิพกกรูปแล้วก็กลุ่มชีวิตต่รูปใช่ไหมเขาเรียกว่าถามว่ากายภาวะวัตถุกลุ่มพวกนี้ไม่มีวัตถุหัทยะนะไม่มีกายประสาทแต่มีภาวะอยู่ไหมไม่มีเพราะเป็นพรมไงเขาเลยพรมโูกฟัาทีนี้มีชีวิตต่รูปเขาเรียกชีวิตตะนวกะกะลาบกระลาบที่มีจํานวนรูปเก้าใช่ไหม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 ก็ตัวหาพุทธรูปต่อหมาพุทธรูปเนี่ยเขาก็เป็นสาชาติต่อกันเนี่ยดื่มน้ําไปลมด้วยเขาก็อยู่ได้ด้วยปัจจัยอยู่ได้ด้วยอาหารแล้วก็มีตัวกรรมที่เกิดแล้วในนานัคณิกากรรมวาปัจจัยเป็นตัวอุดหนุนเป็นชนกัสติทําปฏิสนธิให้เกิดเห็นไหมสัตว์นี้เกิดอยู่ได้ด้วยอาหารจริงๆไม่ต้องพูดถึงสัตว์พองมื่นประการต่อมาก็คือบอกว่าสัตว์ตั้งปวงเป็นอันถือเอาแม้อสัญญาสัตว์ ความที่สัตว์ตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารนี้แหละว่าได้ตรงก็ได้แก่สังขารธรรมที่ไม่ใช่ตัวธรรมเลยนะเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าสัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารพึงทราบว่าได้แก่สังขารและโลกถ้าเขาถามสอดแท้ขมาสัตว์ทั้งปวงเป็นอย่างไรกันบอกว่าเป็นการแสดงโดยปุคลาธิฐานนะถามต่อไปว่าเพราะเหตุไรเล่าพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมให้เป็นปุคลาธิฐานในพระสูตรบางแหง่งและทรงแสดงธรรมให้เป็นธรรมาทิฐานในพระสูตรบางแหง่ง เพราะอะไรเพราะเป็นการเยื้องกลายแห่งพระธรรมเทศนาและเพราะอัธยาศัยของเวยนยะสัสตว์เนาะเออศตว์เวนยศัสตร์นี่นะจริงอยู่นะพระบรมศาสดานี่นะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนะี่ยทรงถึงการเยื่องกลายแห่งพระธรรมเทศนาพระผู้มีพภาคเจ้าเหล่านั้นย่อมทรงแสดงพระธรรมเนี่นทำให้เป็นปุกาาทิ่ฐานในที่บางแห่ง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 ท่านเข้าใจเรื่องสัตว์บุคคลถึงจะเข้าใจท่านแสดงเลยปุขละเทศนาเวนยศสัสตร์เราได้อย่างลงแล้วทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นธรรมธิฐานแก่ ส, สัตว์เหล่านั้นเทศนะที่เป็นปุขลาธิฐานมีสมมุติติสัตว์เป็นวิสัยมีสมมติสัจจเนะเป็นเรื่องการสมมุติเนี่ยเป็นวิสัยเทศนานอกนี้เป็นปรมัตถสัจจะเป็นวิสัยเทศนาแรก มีมหากรุณาตักเตือนเกี่ยวกับเรื่องสัตว์บุคคลเนี่ยต้องใช้ความกรุณาเยอะเนอะใช่ไหมเทศนาหลังปัญญาเกี่ยวกับเรื่องปรามัดเนี่ยนะเราก็จะเห็นปอุปกละเทศนากับปรามัดเทศนาอันไหนใช้ปัญญามากกว่ากัน <laughs> ปรามัดเทศนาต่ อ, อไปเราก็เรียนปรามัดเยอะๆใช่ไหม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 กลุ่มนี้คือกลุ่มศรัทธาจริตเทศนาที่เป็นธรรมอาทิฐานอำ น, นาจของบุคคลที่เป็นธรรมาธิบดีมีธรรมเป็นใหญ่นี่นะนี่กลุ่มปัญญาจริตถ้ากลุ่มศรัทธาจริตกลุ่มปัญญาจริตเนี่ยพระย่าแสดงถ้าศรัทธาจริตพระองค์แสดงปุกคลาธิฐานถ้าปัญญาจริตมากกว่าศรัทธาจริตนี่ก็แสดงธรรมอาทิฐานคือจริงๆก็เพื่อให้เหมาะกับสัตว์นี่ไงซึ่งเราไม่รู้เลยชะมายกเนี้ยเราแสดงไม่ได้เลย นั้นการเขียนสังสารวัตต้องสองส่วนไว้แต่เนี้ยส่วนของธรรมะที่ฐานกับส่วนพุทคลาที่ฐานเพื่อเอื้อมน่วยประโยชน์แก่คนสองกลุ่มที่ศรัทธาจริี่กับปัญญาจริี่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ปัญญาจริีกับศรัทธาจริี่ยนั้นเวลาเราจะกล่าวพระธรรมทั้งหลายหรือจะแนะนำพระธรรมทั้งหลายก็ดูด้วยว่ากลุ่มศรัทธาเฉลี่ยดูกลุ่มว่าศรัทธาจริี่หรือปัญญาจริี่ก็ไม่ละเลย เวนัยชนสองกลุ่มนี้อันหนึ่งเทศนาแรกมีอัดที่จะพึงรู้เทศนาหลังมีอัดที่ได้รู้แล้วเห็นไหมบอกว่าเทศนาแรกเกี่ยว่องบุคคลเนี่ยใช่ไหมก็เป็นอัดที่พึงจะรู้เพราะว่าพอพ่อพูดบุคคลแล้วจะลงปรามัดยัยงไงใช่ไหมแต่ถ้าในหลังเนี่ยพ่อพูดถึงปรามาัดในเรื่องเรื่องปุคลาธิฐานเขารู้แล้วเขาเข้าใจหมดแล้ว งั้นบอกไปเลย ak, stems, salty, ต, ต้องบอกโอ้มันต่างกันอย่างนี้บุคคลเนี่ยจะต้องบรรลุได้ป speaking, ุกาลาที่ฐานเนี่ยก็ต้องจะต้องพูดปุกาลาที่ฐานว่าอย่างลวงสุปรมัติแต่ถ้าบุคคลที่เขารู้ปรมัตติเบี่ยเศษแล้วเรื่องบัญญัติเนี่ยถ้าไม่ต้องไปบอกแสดงอภิธรรมบิดดกเลยรอบๆเลยนะว่าไปเลยใช่ไหมกุศลาธรรมากุศลายศมิงสมัยกามาวจรังกุสลังจิตตังเลยว่าไปเถอะเดี๋ยวก็บรรลุใช่ไหมเดี๋ยวก็บรรลุแต่ไม่ใช่เรานะ อย่ากลัว้ ร, ระเรามันนังวาสัทธาเรมามันนังวานคันธาเรมามันังวาก็ว่าไปยังไม่รู้อะไรรู้าก็สวนก็ไม่รู้คนปังก็ไม่รู้ไอ้ไม่รู้รู้พรลมสัทธาลมกันธาลมเหมือนกันยังจับประเด็นได้เนีะยังจับประเด็นได้ทีนี้เทศนาแรกมีอัธที่จะพึงรู้เทศนาหลังมีอัธที่ได้รู้แล้วก็ทราบว่าภพบรุษศาสดาเล็งเหึุงความต่างๆกันนั้นย่อมแสดงทำเทนาสองอย่างในที่นั้ น, น, นด้วยประการดัทงที่ได้กล่าว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 พวกสักสตตสถิเตียพวกนี้มีสัตว์เป็นอารมณ์เดยมากไม่ใช่มีสังขารเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นบันณฑิตเพงทราบว่าสัตว์โลกในอนาคตสถานว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงเป็นต้นแล้ว น, ะนะนะนะ น, นั่นนะนะอาจารย์ท่านก็อธิบายไปทําไมท่านอธิบายตรงนั้นเพราะคนไปเข้าใจผิดท่านก็พูดเรื่องโลกใช่ไหมเพื่อจะให้คนเข้าใจทะลุทะลวงเรื่องโลกเพราะจะวิจัยในหนังสือเนี่ยท่านไม่วิจัยออกมา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 เออได้เทียนได้อะไรมาแล้วก็เริ่มสองอาเห็นแล้วเห็นอัถยาแล้วแต่ก่อนไม่เห็นเห็นเขาเขียนเรื่องโลกกับเหมยลุยลุยไปเรื่องโลกเราไปสอนเนี่ย ม, นมา น, นีสอนเรื่องโลกสนุกสนานแลแ้วติดโตเถียงกับเขาอยู่นั่นแหละก็ยิ่งคนไม่เชื่อเดี๋ยวมาเถียงใหญ่ตอนนั้นนะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเถียงบอกโหไปเอาในหลวิทยาศาสตร์แรงต่างไปค้นกับเขามามาเถียงกับเขาแล้วทั้งนี้นั่นไปแล้วเราไม่รู้ใช่ไหมพอมาลูกอ๋อตอนนี้ก็เริ่มจะ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 ที่ใช้คําว่าสัพพัทาวิธีโตเนี่ยนะอัสสัยเอเนนะก็โยกพระคัมภีรตาท่านกล่าวถึงความที่สังขารและโลกเป็นธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปเนื่องโดยปัจจัยนะด้วยคาถาเป็นปุกคาราทิฐานบว่าโลกหนึ่งคือสัตว์ทั้งปวงดํารงอยู่ได้ด้วยอาหารคาถานั้นสังขารโลกนะ้ทั้งปวงนี้มีจึงมีหนึ่งเพราะไม่มีประการอย่างอื่นโลกสองก็มีนามเปนรูปเป็นต้นนามในที่เนี้ยนามในที่นี้ท่านไม่ได้ถือเอานิพพานด้วยนะ เพราะนิพพานมิใช่เป็นสภาวะของโลกถามว่ามีความดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารเนี่ยเป็นโลกก็ต้องได้แก่มรรคธรรมและผ ล, ลธรรมเนะเาะพมีความเป็นไปเนื่องด้วยปัจจัยไม่ใ ช, ช่หรือบอกไม่ต้องเพราะอะไรธรรมคือทุกขัาจตร์ที่พึงกาหนดรู้ที่ท่านเอาในที่นี้ใช่พอมรรคกับผลเนี่ยเป็นทุกขศตรหรือเปล่าไม่เป็นทุกขัสตรเป็นทุกขธรรม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 เกิดร่วมเจสิงที่เกิดร่วมกันจิตในโลกุตระทรเก้าเนี้ยเนะี้ยเอาแค่มากสี่พ้นสี่ก่อนอนิพานนั้นพ้นแน่นอนแต่แม้แต่โลกุตระท่านเขาเรียกว่าทำ ท, ที่เก้าขึ้นหรือเก้าข้ามโลกเพราะพ้นจากการยึดถือของอุบาทานใช่ไหมตรงนี้เราจะมองเห็นอ๋อโลกในที่นี้ท่านเอาโลกียะเอาโลกียะเอารูปน้มจริงแต่เอารูปน้มที่เป็นโลกียะ ทีนี้เวทนามีสามสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็เบียดขาเวทนาในเวทนาสามเนี่ย น, นะอาหารสี่ก็ได้แก่กาวะลิงกาลอาหารภาษาอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารได้พูดไปแล้วน้ที่เชียงใหม่เอามาทบทวนตรงนี้ก็คือว่ากาวะลิงกาลาอาหารชื่อว่าอาหารพราะ น, นํามาซึ่งอะไรโอชัต t ะ โอชถักเกลหรือว่ารูปที่มีโอชาเป็นที่แปดใช่ไหมก็คือดินน้ําไบลมสีกิ่วดโอชานั่นก็รูปที่มีโอชาเป็นที่แปดปป 8. ฉะนั้นตัวกวลินกราหานก็คือตัววิตามินทั้งหลายที่เราผ่านการเคียคคเ้ยวเข้าไปแต่ละคําแต่ละคำเนี่เนื้อย้ำเข้าไปแต่ละคําผ่านชิวหาประสาทเข้าไปให้โอชาให้ทีละแปดรูปแปดรูปนเนี่ยเข้าสู่สรีรลขันลังรูปประคำ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 อย่ได้จริงๆนะเอาสินี่คือรูปธรรมทั้งหลายเนาะเป็นอสัญญาอาสัญญาพวกรูปภพไม่ได้อยู่ได้กับริงกลาหานเขาอยู่ได้ด้วยถ้ากลุ่มนามธรรมก็ผัสสะหารใช่ไหมถ้ากลุ่มของรูปธรรมอสัญญาสัตภูญญญญมิก็อยู่ได้ด้วยอะไรมโนสัญเจตน า, าหาันเอาสิตัวกรรมอะตรงเนี้ยโอ้ลึกซึ้งน้อพระธรมมรมอุปัชฌาหนึ่งทีนี้ผัสสะชื่อว่าอาหารว่านําเวทนาสามมาให้ อาภาษาเนี่ยนำอะไรนำสุขเวทนามาให้ทุกขเวทนามาให้แล้วก็อาทุกคำมาสุขเวทนามาให้เวทนาใช่ไหมภาษานำเวทนามาให้ขอบคุณเขาไหมน่าขอบคุณไหมภาษาอันเป็นที่ตั้งของทุกเขานำทุกเวทนามาให้อาโทมนาสเวทนาใครนำให้ภาษานี่แหละขอบคุณเนาะที่ทําให้เราทุกใจเราเครียดเพราแล้วนั่นจะไปโกรธ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 ฉะนั้นมโนในภาษาหาภาษาเนี่ยชื่อว่าอาหารพ่ะ น, นำเวทนาสามมาให้ก็ไปดูเนี่ยไปวิจัยก็โอ้โหเห็นทุกเยอะล้วจะเห็นโทษเยอะของสังสารวัฏเยอะมโนสัญเจตนาอาหารชื่อว่าอาหารพ่อนาปฏิสนธิวิญญาณในการมาพบรูปพบและอรูปพบได้เอาสิในพบสามเลยนำทั้งปฏิสนธินามและนำทั้งปฏิสนธิรูปมาให้ฉะนั้น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 ไอ้กรรมก็เป็นธทำพอกรรมทำแล้วโมหะก็ปิดทําให้หลงตัวตัณหาก็เชื่อมให้เป็นโรงงานใหญ่ผลิตสินส่วนให้ผลิตวิบากให้อีกเยอะจะเอาแบบประเภทมีเขาก็ได้ประเภ ท, ทมีงวงก็ได้มีงาสวยสวยก็ได้ใช่ไหมประเภทไม่ต้องมีขาลืดนปุ้ดเลยก็ได้นะประเภทวิ่งพรวดเลยได้เลยนะเนาะประหลาดยังไงก็ได้แล้วทําให้หมดเสร็จ สนใจว่าอะไรยังเหลือเยอะสนใจได้ใช่ไหมโทรเรียกหายัางได้เลยตัวผลิตเล่ตัวผลิตในตัวโรงงานเนี่ยตัวลงเป็นเป็นตัวโรงงานผลิตทุกเนาะตัวตัญหานี่เนี่ยที่บวกกับมโนสัญเจตนาเนี่ยเป็นตัวโรงงานมือมาท่านนึกว่าเป็นเจ้ากรมเลย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 ก็ไปเรียนกันหน้าตายิ้มแยบเย่ยมใส่เออจะชื่นชมทุกศาสตร์กันอยู่นั่นแหละกระทั่งที่ิท่องเนี่ยสองพนัสสาศาคตังทิติกระตาสมิุตัาตางไปนั่งเถียงกันโกรธกันอีกในห้องนี้ไปดำอาสว ร, รกรรมเนี้นะันอีกเข้าใจไหมโอเถียงกันหน้าดำตาแดงเลยอะ่ะเี่ททำไมไม่แปลกจริงนะ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 ท้าไม่เราเห็นไปที่ไหนเห็นหมดเลยเนี่ยแล้วก็เห็นตัวเดงนี่ถึงทีงง่โอ้โหหน้าเนี่ยขนาดแท้ใช่ไหมบางทีไม่ได้บุญเนี่ะบางทีมันมันเดินเดินบุญไม่ออกอ่ะติดขัดบุญไม่เดินตอนนี้รู้เนี่ยแต่ความรู้มันเดี๋ยวมันหายเออมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันหา ย, ออ ม, ย, ม, หายมันไม่ต่อเนื่องทําไงให้มันต่อเนื่องได้ถ้าสามารถทําให้ต่อเนื่องได้โอ้โหไม่ทำมาได้เลยนี่เป็นอย่างงี้ไอ้ช่วงนี้เบรกกันก่อนดี้